ใช่พอมาถึงปัญหาแล้วเนี่ยมันก็ออกข้างนอกเลยสแสวงหาไปเลย <laughs> มันจะไปแสวงหาสีเสียงก ล, ลิ่นรสโผดขับพาสวงหาทรัพย์แสวงหาบุตรแสวงหาภรรยาไปาใหญ่เลยแตเนี้ยเนี้ยพอมันได้สิ่งเหล่านั้นมาเอาแล้วแต่เนี้ยมันก็เกิดการไล่ไปตามหลักจนการติดใจฝ่ายพวงเกิดการห่วงแห็นการป้องกันทั้งหลายเนี้ยเริ่มวางเริ่มวางแนวและเริ่มทํากาแพงแล้วมันเริ่มป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาแล้วใช่ไหมแต่หนีใช่ไหมเนี่ย ก็จะหนีก็เลยหวงแห่งก็ป้องกันถ้าใครเข้ามาโอ้โหมันทะเลาะกันตายเลยนนเนี่ยใครจะเข้ามายึดครองใ ช, ใช่ไหมและปัญหาความทุกข์ของสังคมมันเป็นอันเดกมันต้เป็นไปลักษาเลยวงจรมีมันเป็นทุกข์ของสังคมจากความไม่รู้ภายในมันกระทบมาเป็นทุกข์ของสังคมและเป็นความทุกข์ของชีวิตด้วยนี่คือวงจรของปฏิเสธสมบตัติที่มันหมุนวนอยู่ตลอดเวลาไม่จบไม่สิน้นถ้าไปดับอาวิชาเสียทําปัญญาให้เกิดเสีย สภาพอลักษหามันจะไม่เกิดขึ้นในสมัยของพุทธกาลไม่มีเขียดกันเลยเห็นไหมมันจะอยู่กันแบบเชื่อมประสาันกันเลยเกาะการเพื่อเฟื่องแผลแบ่งปันมันจะการไปอื่มันจะเป็นลักษณะว่ามันดับทุกข์ของสังคมได้ด้วยใช่ั้มมวนหมู่มนาโนทั้งหลายก็โอ้โหไอ้สุออกไปก็ไม่ต้องมีรู้ว่าไม่ต้องมีสื่อทาไม่ต้องมีอะไรทั้งหลายเลยถ้าหนักไปกว่านั้นก็คือสภาพที่มันทวิชชามันสว่างมากไปกว่านี้เนาะ ถ้าปัญญามันเกิดมากไปคนนี้อยู่ทั้งขนาดว่าโลกใบนี้ทั้งหมดเป็นของทุกคนเลย mm. ทุกคนกินใช้อยู่กันแบบไม่ต้องทะเลาะเบาแหวงกันเลยแบบนมันเคยเกิดเลยใช่เคยเกิ ด, กดโลกใบนี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงมันเริ่มจากมันเริ่มจากไม่มีไม่มีการไม่มีไม่มีมมอวิชชาหรือมันเริ่มจาก ม, มีวิชชา เบื้องต้นจริงๆมันก็มามันก็วนกลับไปก่อนเพราะว่ามันเป็นวงจรอย่างนี้อยู่ยุคใดสมัยใดวิชามันจเจริญขึ้ น, นย <ก S 1> ุคแน่สบายนั้นนะมันก็จะเปิดกว้างขึ้นเพราะวิชาเข้ามาครอบงำปุ๊บมันก็เสจอสภาพาที่มืดมืดบอดแล้วก็ปฏิบัติกันเนี้ยเป็นปัญหาของชีวิตทุกของชีวิตแล้วก็เป็นทุกของสังคมแล้วก็มันก็เป็นมาจนทุกคนถ้าในในยุคที่มนุษย์เราเนี่ย ถ้ามาเกิดในโลกใบนี้มาจากอภัาสราชนี่นะยุคนั้นนะ่ยตอนนั้นวิ ช, ชายังยังโอเคอยู่ใช่ไหมแต่เริ่มจะมืดมืดมนระดับหนึ่งแล้วก็มาอยู่ในโลกใบนี้พอมาอยู่ในโลกใบนี้โอ้อะไรอะไรมันมันเจริญตาเจริญใจหมดเลยไม่มีบัญญัติไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกติกาทั้งหลายบรรดาสัตว์ทั้งหลายมาอยู่กันก็เป็นหมูเห่เรามีแต่เรื่องของการสมัครสมันเพื่อเพื่อเผื่อแผร่แพบ่ปันกัน ไปไปในะที่ไหนอยากจะหยิบอะไรกินตรงไหนได้ง้วนดินกินได้ต้นไม้กินได้อะไรทั้งได้อยู่ตรงไหนบรรยากาศมันมันมันล่มลื่นไปหมดนะข้าวนะข้าวพอมันความมืดบอดมันเข้ามาครอบงำไปเสร็จนะข้าวมันนัเริ่มเริ่มเริ่มกะกันกันแล้วไปไปมาก็เริ่มแล้วพอจิตใจเกิดนั้นเริ่มเพ่งมองกันเองเกิดราคะก่อนแล้วแต่เนี้ยเกิดความกำหนัดยินดีต่อกัน คนเคสั่งสมอัตยาสัยเป็นหญิงมาภาวะหญิงปรากฏคนสั่งสมอัตยาสัยชายมาภาวะชายปรากฏแต่เข้าแตเข้าชายหญิงเกิดเกิดเราเพิ่งปฏิบัติต่อการผิดพลาดแล้วเข้าแต่เข้าก็มีการถูกวังเกียรตไปนี่ปัญหามันก็ตามมาไปรักนะนี่คือปฏิจจ ա บหมดเลยนะความจริงที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นเป็นวงจรปฏิจจาบทั้งหมดเป็นอย่างนี้